เดือนพรวันนี้มาฟังธรรมโดยไม่ได้นัดหมายหลวงพ่อไม่ได้บอกล่วงหน้ากลัวพวกเราจะมาเยอะเกินไปวันนี้วันอาสน า, าบูชาแล้วก็จัดฟังธรรมเป็นพุทธบูชาใปนเครื่องระลึก ถ, ถึง วันสำคัญเป็นวันแรกของปฐมเทศนาเป็นวันแรกที่เกิดพระอริยาสาวกขึ้นนั่นเป็นวันสำคัญของชาวพุทธ ท, ที่พระพุทธพระธรรมพระสงค์มีครบในวันนี้ธรรมะกันแรกของพระพุทธเจ้าท่านสอนนักปฏิบัติ ส, สำหรับนักปฏิบัติท่านสอนปัญญวักขีท่านเหล่านี้เป็นนักปฏิบัติทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยท่านเลยเริ่มต้น่างสิ่งที่ผิดก่อนจะก้าวไปถึงสิ่งที่ถูกท่านสอนให้รู้จักสิ่งที่ผิดเสีก่อนสิ่งที่ผิดสำหรับนักปฏิบัติมีสองอย่างอันหนึ่งก็คือการย่อหย่อนตามใจกิเลส อย่างพวกเราถึงจะเป็นพระหรือเป็นฆราวาสก็ตามถ้าหากเราอยากปฏิบัติเพื่อความควรถูกจริงๆนะเราจะอบรงชีวิตแบบตามใจกิเลสไม่ได้นะมันไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้ธรรมะเ <นะ S 1> มื่ะจะต้องพยายามฝึกตัวเองนะอย่าไปหลงกับโลก โลกไม่มีอะไรโลกหอมหวานในเบื้องต้นแล้วก็เจ็บช้ำคมคืนในเบื้องปลายไม่มีอย่างอื่นไม่ว่าในโลกจะดีวิเศษแค่ไหนเราได้มาถึงจุดหนึ่งเราก็เสียไปไม่มีอะไร ย, ยั่งยืนจริงนี้เวลาเราหลงโลกลก็ตะเกียกตะกายวิ่งหารูปหาเสียงหากลิน่นหารส อาพทธะคือสิ่งที่สัมผัสกายอาเรื่องราวทางใจที่สนุกสนานเพลิดเพลินและถ้าเรายัางเพลินยังหลงโลกอย่างนี้นะเราไม่ใช่นับปฏิบัติที่แท้จริงนั่นเราต้องเสียสละต้องเสียสละการที่เสียสละรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะอะไรทั้งหลายเนี่ยมันคือการสร้างเนกขมมะบารมี การออกจากกรรมเนีย่ยถ้าเป็นพระนี้ก็ออกจากกรรมแล้วไม่มีความสุขแล้วในเรื่องการหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสความสุขอย่างนั้นมันเป็นความสุขที่เจือด้วยความเร่าร้อนได้มาไม่นานก็เสียไปนี่ถ้าเรามีสติมีปัญญาแล้วมีความฉลาดจริงนะอย่าไปหลงกับโลกอาศัยอยู่กับโลก ก็อยู่กับมันอย่างรู้เท่าทันมันอีกสิ่งหนึ่งที่นักปฏิบัติจะต้องไม่ทำคือการทำตัวเองให้ลำบากการกดข่มบังคับกายบังคับใจอันนี้นักปฏิบัติร้อยละร้อยเริ่มต้นโดยการบังคับตัวเองทั้งนั้นเหมือนกันหมดนะเริ่มจากการกดข่มบังคับตัวเองอย่างเวลาเราคิดถึงการภาวนามื่ไรนะก็จะเริ่มบังคับตัวเองบังคับร่างกาย คิดถึงอานาปนานสตินะก็เริ่มบังคับการหายใจของตัวเองจะเดินจงกรมก็เริ่มบังคับท่าทางในการเดินบังคับไปหมดพอบังคับร่างกายเรียบร้อยแล้วก็เริ่มบังคับใจทําใจให้นิ่งๆให้ผิดธรรมชาติธรรมดาพอบังคับอย่างนั้นใจจะเครียดใจเคร่งเครียดใจไม่มีความสุขใจไม่มีความสุขสมาธิไม่เกิด นี่บางคนฟังถึงตรงนี้อาจจะสงสัยการที่เราตามใจกิเลสมันเกิดความสุขนะก็น่าจะได้สมาธิสิตามใจกิเลสไปนะมันไม่ยั่งยืนอะไรหรอกมีความสุขประเดี๋ยวประดาวแล้วก็ฟุ้งซ่านสแสวงหากามคือรูปเสียงกิริยทธตภาธรรมารมณ์อื่นต่อไปอีกแสวงหาต่อไปอีกเพราะฉะนั้นการย่อหย่อนนะไม่ทาให้เกิดสมาธิเพราะมันฟุ้งซ่าน ในขณะที่การบังคับกดข่มจิตใจตัวเองบังคับร่างกายตัวเองอยู่เครียดไปหมดแนละไม่มีความสุขก็ไม่เกิดสมาธิเหมือนกันแต่ถ้าเทียบสองอย่างระหว่างการควบคุมตัวเองกับการปล่อยตัวตามกิเลสนะการควบคุมตัวเองถือว่าดีกว่าการที่เราบังคับควบคุมตัวเองนะัเรามีโอกาสเที่ยวไปสุคติถือทําไห้ไปนิพพานหรอกแต่ว่าไปสุคติได้ แต่การตามใจกิเลสนะั้นไปทุกติงั้นระหว่างความผิดสองด้านเนี้ยตึงไว้ก่อนดีวัวย่อนแต่ถ้าตึงก็ได้สุคติแต่ไม่ได้มรรคผลนิพพานหรอกนี่พระพุทธเจ้าท่านเริ่มจากสองสิ่งเนี้ยท่านเริ่มจากว่ามีธรรมะสองอย่างที่บรรพชิตไม่ควรเสพ นะคือผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ควรเสพ จ, จริงปัญราชิตท่านหมายถึงตัวปัญจวคัคคนะีท่านเป็นนักบวชพวกเราส่วนใหญ่ก็เป็นขาราวาสนะแต่ถ้าเราตั้งใจจะปฏิบัติจริงนะเราบวชใจของเราตั้งใจให้ดีอย่างน้อยเราบวชใจของเราด้วยสีนห้านะเราตั้งใจว่าเราจะไม่หลงโลกนะอยายภาพเพียรภาวนาไปเพื่อวันหนึ่งจะได้ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้น คราวาสก็ทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้ในสมัยพุทธกาลคราวาสได้ทำมาเยอะแยะไปสมัยนี้มีหรือเปล่าเราตอบไม่ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่จะพยากรณ์ให้แล้วเราก็ได้แต่คาดเดาหลวงพ่อเคยเห็ น, นคลิปอันหนึ่งนะจัดลำดับพระอระหันต์ในยุคนี้เห็นแล้วยังขำไม่เลิกเลยเอาอะไรมาจัด เอากิเลสของตัวเองไปจัดลำดับพระอรหันต์เลยทำไม่ได้จริงหรอกก็มัวมัวเอาชอบพระองค์ไหนก็ตั้งองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ไปใช้ไม่ได้ยุคนี้ไม่มีใครชีขาดนะเอาธรรมวินัยของพระเจ้ามาชีขาดเราวินอยู่ชนรู้ด้วยตัวเองเราไปรู้ของคนอื่นไม่ได้หรอกยกเว้นแต่เราภาวนานะเรารู้แล้วว่าเราลดลกกิเลสอะไรไปได้เด็ดขาด ที่เราล้างเด็ดขาดแล้วมันจะสะท้อนภูมิจิตภูมิธรรมของเราแล้วเราจะสามารถรู้คนที่เสมอกับเราหรือต่ากว่าเราได้แล้วสูงกว่เราดูไม่ออกนี่ถ้าเราอยากจะพนทุกข์นะเราก็ไม่ทําสองสางที่พระพุทธเจ้าห้ามแล้วมาทําสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทํำคือการเจริญอริยมรรยมรรยมมีหนึ่งเดียวก็คืออริยมรรย แต่มีองค์ประกอบ8ประการเราชอบเรียกแบบมักง่ายว่ามัก8มัก8ปดบางท่านเป็นหนึ่งแต่มีองค์ประกอบ8ประการพระพุทธเจ้าแสดงอริยมตรตมีองค์ประกอบ8ประการให้ปัญจวัคคีย์ฟังเริ่มต้นท่านสอนเรื่องสมาธิสมาธิคือความรู้ถูกความเห็นถูกเพราะฉะนั้นะก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ เพื่อความพน้นถูกจริงๆต้องรู้ถูกเห็นถูกก่อนรู้ทฤษฎีก่อนคําว่าสมาธิิแปลว่าทฤษฎีที่ถูกต้องคําว่าทิฐิเป็นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตใช้คําว่าทฤษฎีเราจะใช้ภาษาไทยเนี่ยเราใช้ทั้งคําว่าทิฏฐิทั้งคําว่าทฤษฎีนี่ตัวสมาธิาก็คือทฤษฎีที่ถูกต้องท่านสอนอะไรท่านสอนบอกว่าเราต้องรู้ทุก สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือรูปนามกายใจนะให้รู้ทุกข์รู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจของเรานี้แหละเมืนะ่อเรารู้ทุกข์แล้วนะต่อไปจะเห็นความจริงของทุกขนะ์ว่าตัวรูปนามกายใจนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะมีอยู่เพราะมีเหตุหมดไปเพราะเหตุมันหมดไปนะจะเป็นอย่างนี้งั้นเราต้องรู้ว่า งานที่เราจะต้องทำเนี่ยคืองานรู้ทุกถ้ารู้ทุกจะแ จ, แจ้งเมื่อไหร่จะละสมูทัยอัตโนมัติละสมูทัยเมื่อไหร่จะแจ้งนิโรธคือพระนิพพานอัตโนมัติในขณะที่แจ้งนิโรธแจ้งนิพพานในขณะที่รู้ทุกละสมูทัยแล้วนะอริยมรรคจะเกิดขึ้นนะเป็นการเจริญมรรคดังน้นกิจทั้งสี่ของอริยสัตจเนี่ยเราสามารถทําให้จบได้ ในขณะจิตเดียวถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกเมื่อนั้นลาสมุทัยเมื่อไหร่ลาสมุทัยเมื่อนั้นแจ้งนิโรธเมื่อไหร่แจ้งนิโรธเมื่อนั้นเกิดอริยมรรต์ดังนั้นท่านสอนอย่างเนี้ให้รู้ถูกสิ่งที่เรีว่าทุกไม่ใช่อกหักรักคูดเป็นทุกไม่ใช่ตกงานเป็นทุกนะคําว่าทุกในที่นี้เรื่องทุกข์สัตว์ทุกข์สัตว์ไม่ใช่ทุกขเวทนาเจ็บป่วยปวดโน้นปวดนี่อันนั้นทุกขเวทนา ทุกขศาสตร์ก็คือสิ่งที่เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมขันห้าของเรานี่แหละเรียกว่าทุกขศาสตร์ตัวทุกขศาสตร์ตัวขันห้าเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราถ้าเราอยากรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะเราก็ต้องมาเรียนรู้ทุกวิธีเรียนรู้ทุกนั่นแหละเรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่พอเรารู้แล้วว่า เราจะต้องรู้ทุกคือเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจนะเราก็พัฒนาตัวเองต่อไปเพราะเรารู้ถูกแล้วเนี่ยเวลาเราคิดเราจะคิดถูกเพราะงั้นสมาทิทฐิสมาทิาทิเบื้องต้นเนี่ยเป็นสมาทิทฐิในภาคปริยัตยนะอย่าเราฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยเป็นสมาทิทฐิในภาคปริยัตยพราะเราเรียนรู้ทฤษฎีที่ถูกแล้วนะเวลาเราคิดอะไร เรามีสติกำกับใจของเราไว้เวลาเราจะคิดอะไรมีสติกำกับใจไว้คนทั่วไปมันจะเป็นเราคิดนี่ถ้าเราเคยฟังธรรมมาแนละ้วมันจะไม่ใช่เราคิดนีะเป็นขันห้ามันคิดนะตัวนมามธรรมมันคิดตัวใจมันคิดรู้อย่างนี้ว่าใจมันเป็นตัวคิดคอยรู้เท่าทันใจของตัวเองไปนั่นเวลาความคิดเกิดขึ้นนะ มันจะคิดถูกมันจะคิดด้วยความมีสติไม่ใช่คิดด้วยราคะไม่ใช่คิดด้วยโทสะไม่ได้คิดด้วยโมหะการคิดด้วยราคะเรียกว่ามีกามวิตกกาบวิตกคิดไปด้วยราคะถ้าคิดด้วยโทสะเรียกวิญาบาตวิตกถ้าคิดด้วยโมหะเรียกว่าวิหิงสาวิตกงั้นการคิดถูกเรียกว่าสัมมาสังกัปปะ ได้คิดโดยไม่มีกิเลสเจือปนไม่ได้คิดตามอำนาจของราคะโทสะโมหะนะแต่คิดไปด้วยสติสัมปชัญญะคอยดูแลรักษาใจเราเพนั้นเวลาพวกเราจะเริ่มปฏิบัติเนี่ยเริ่มตั้งใจสังเกตใจตัวเองนะใจมันช่างคิดไม่ห้ามใจจะคิดก็ให้ใจคิดไปแต่พอใจมันคิดแล้วเนี่ยมันคิดด้วยราคะให้เรารู้ทัน มีคิดด้วยโทสะให้เรารู้ทันมันคิดด้วยโมหะความหลงผิดให้เรารู้ทันงั้นเวลาเราเรามีความเห็นถูกพเรามีความคิดถูกแล้วเนี่ยคําพูดของเราอะ่ะมันจะถูกเพราะเรามีความเห็นถูกมีความคิดถูกคําพูดของเราก็จะถูกงั้นพอเรามีสมาธิที่สัมมาสังกปปะแล้วเนี่ยสัมมาวาจาก็จะเกิดขึ้น แต่เดิมเวลาคิดเวลาคิดผิดนะเวลาเห็นผิดคิดผิดไม่ใช่พูดผิดผิดพูดที่ไรมันก็เป็นกูพูดทุกทีนะแล้วก็พูดเจือด้วยราคาโทสาโมหะนะงั้นจุดสาคัญเนี้ยอยู่ที่การดูแลจิตใจของเรามีสติรู้เท่าทันจิตใจของเราถ้าเรามีสติรู้เท่าทันจิตใจของเราเวลาจิตใจเราหลงผิดเกิดความเห็นผิดขึ้นมาว่ามีตัวเราจริงๆรู้ทันมันเข้าไป เวลามันคิดผิดๆนะก็รู้ทันมันเข้าไปแล้วเวลามันจะพูดอยู่ๆมันพูดไม่ได้คําพูดมันมาจากความคิดอีกทีหนึ่งถ้าความคิดถูกคําพูดก็ถูกถ้าหากความเห็นก็ถูกความคิดก็ถูกคําพูดก็ถูกการกระทําของเราก็จะถูกนั้นสัมมากัรมันต์ก็จะเกิดขึ้นงั้นมันเริ่มมาจากเนี่ยมีสมาธินะเราก็พัฒนามีสติ คุ้มครองดูแลจิตไปนะก็จะเกิดความคิดถูกนะมีเห็นถูกคิดถูกคำพูดถูกการกระทาของเราก็จะถูกเพราะอะไรการกระทาของเราทางร่างกายเนียจิตเป็นคนสั่งให้ทำนะนี้เวลาจิตมันสั่งให้ทำมันก็เป็นคำพูดในใจของเราขึ้นมาเวลาจิตมันคิดมันเป็นคำพูดในใจนี่คำพูดในใจเราก็มีสติรู้เท่าทันนะอย่าว่าแต่คาพูดที่ออกจากปากเลย คำพูดในใจเรายังถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นการกระทาทั้งหลายเนี่ยมันทํามาเพราะใจสั่งมันก็จะกระทําที่ถูกต้องการกระทาที่ถูกต้องจะทําให้ผิดศีลห้านั่นแหละถ้าทําผิดศีลห้าเป็นการกระทาที่ไม่ถูกต้องเป็นการกระทําที่เบียนเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นงั้นเวลาเราทําผิดศีลเนี่ยมันคือการเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นใช้ไม่ได้ ถ้าความเห็นเราถูกความคิดเราถูกคําพูดเราถูกการกระทําเราถูกสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีวิตก็จะถูกไปด้วยนะมันทําผิดไม่ได้เลี้ยงชีวิตผิดไม่ได้อย่างพวกเราบางคนยังทํางานอย่า ง, ง, าางพวกทบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาอะไรเนี้ยนะเพราะเราใส่เดิมเราคิดว่าดีรวยนะนี่ต่อมาเรารู้เราได้ฟังธรรมเรารู้ว่าอย่างนี้ยังเป็นการเป็นวิชาชีวะ เลี้ยงสัตว์เพื่อให้เอาเขาไปฆ่าพอเรารู้ถูกเราก็มีความเห็นถูกแล้วนะความคิดของเราก็ถูกว่าทำยังไงมันจะเลิกได้นะก็ค่อยๆ ค, ค, คิดหาวิธีนะในสุดการทำมาหากินของเราก็สะอาดหมดจดมากขึ้นมากขึ้นนะก็ดีขึ้นเรื่อยๆนีอาศัยสมาธิในเบื้องต้นจากการฟังธรรมะก็รู้ว่าเราจะต้องคอยระแวดระวังไม่ให้ กิเลสครอบงาใจเรานะความคิดก็ถูกคำพูดก็ถูกการกระทาก็ถูกการเลี้ยงชีวิตก็ถูกนี่เรามีพื้นฐานที่ดีสำหรับการปฏิบัติแล้วต่อไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะก็คือความเพียรที่จะลดละกิเลสความเพียรที่จะเจริญกุศลมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะเรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้ว เราก็จะไม่อยากทำสิ่งที่ผิดเราอยากทำสิ่งที่ถูกสัมมาวายามะคือความเพียรชอบก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่เรียกว่าสัมมาวายามะนั้นก็คือความเพียรทาลายอกุศลที่มีอยู่เพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเพียรทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญงอกงามขึ้นความเพียรอันนี้มันจะมีอัตโนมัตินะ ถ้าเราได้สะสมมาตั้งแต่มีความเห็นถูกความคิดถูกคําพูดถูกการกระทําถูกการเลี้ยงชีวิตถูกแล้วมันจะลดละอกุศลไปมันจเจริญกุศลขึ้นมาเรื่อยๆการที่เราค่อยลดละอกุศลค่อยจเจริญกุศล น, นะต้องอาศัยสตินะงั้นเวลาเราอ่านจิตอ่านใจตัวเองบ่อยๆอา้าว่ากุศลเกิดแล้วรู้ทันกุศลเกิดแล้วรู้ทันหัดรู้บ่อยๆไป มันจะเป็นการลด ล, ละกิเลสโดยอัตโนมัติเป็นการเจริญกุศลโดยอัตโนมัติเราะฉะนั้นสัมมาวยามะก็จะค่อยๆพอกผูนขึ้นมาสติของเราก็จะค่อยๆดีขึ้นสัมมาวยามะที่สมบูรณ์จะทําให้สมาสติสมบูรณ์นะเพราะฉนั้นเรากิเลสอะไรเกิดเรารู้ทันกุศลอะไรเกิดเราก็รู้ทันสติก็จะสมบูรณ์มากขึ้นมากขึ้นในที่สุดสมาสติก็จะสมบูรณ์ จิตเราเกิดกุศลเราก็รู้เกิดอกุศลเราก็รู้เกิดอะไรขึ้นกับจิตใจเราก็รู้การที่เราคอยรู้เท่าทันไปเรื่อยๆเนี่ยเรียกว่าเราเจริญสัมมาสติอยู่สัมมาสติที่บริบูรณ์จะทำให้สมาสมาธิบริบูรณ์อย่างจิตเราโกรธขึ้นมาเนี่ยเรามีสติรู้ว่าจิตโกรธทันทีที่รู้ว่าจิตโกรธสติเกิดแล้วทันทีที่สติเกิด ความโกรธจะดับอัตโนมัติจิตจะดิดตัวผางตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้จิตจะส่งสมาธิที่ถูกต้องขึ้นโดยอัตโนมัติเฉะนั้นถ้าเมื่อไรมีสัมมาสติว่านั้นก็จะมีสัมมาสมาธิขึ้นมาแต่ถ้าเป็นมิจฉาสติก็ไม่มีสัมมาสมาธิพวกที่เรียนอภิธรรมบางทีเขจะบอกว่าสตินั้นเป็นธรรมะที่ดีเพราะฉนั้นไม่มีมิจฉาสติคําว่ามิจฉาสติหลวงพ่อไม่ได้พูดเอง ในพระไตรปิฎกมีคำว่ามีชาสติสติที่ไม่ประกอบด้วยสมมาทิทีินั่นแหละมีชาสติสติที่ไม่ประกอบด้วยสัมมาสมาธินั่นแหละมีชาสตินั้นอย่างเรานั่งทำกรรมฐานนั่งเพ่งอยู่ที่ท้องนะสงบอยู่ที่ท้องมีสติอยู่ที่ท้องแต่จิตไม่ได้ตั้งมั่นไม่ได้มีสมาสมาธิขึ้นมานแล้วก็ไม่ประกอบด้วยสมมาทิทิ ไม่รู้ว่าเราควรจะรู้ทุกกลายเป็นเพ่งทุกไม่ใช่รู้ทุกแต่เพ่งทุกอย่างเราเพ่งท้องเนี่ยหรือเพ่งลมหายใจเนี่ยไม่ใช่รู้ลมหายใจมันคือการเพ่งลมหายใจระหว่างรู้กับเพ่งไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสติที่ไปเพ่งนะ่ะทาให้จิตเป็นกุศลไม่เป็นแต่ไม่ใช่กุศลชนิดที่จะพาเราไปบรรลุมรรคผลนิพพาน ฉนั <southwest> <Ja>. ้นเราอย่าไปเพ่งเงาเราแค่รู้สึกเอาเราเลืกรู้เราเลืกรู้กายเราเลือรู้ใจถ้าเพ่งกายถ้าเพ่งใจอันนั้นคืออัตตากริยาฐานโยกคือส่วนที่ตึงเกินไปฉะนั้นท่านเริ่มต้นมาสอนนะสิ่งที่หย่อนไปสิ่งที่ตึงไปเพื่อเราจะได้ไม่ไปหลงทำอัตตากริยาฐานโยคบังคับตัวเองนะอัตตากริยาฐานโยคทำแล้วเครียดนะอัตตากริยาฐานุโยคแค่รู้สึกนะเรามีสติเราเลืกรู้ กายเรลึกรู้ใจอย่างร่างกายเราขยับเนยสติเราลึกรู้วับจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นสัมมาสมาธิจะมีจิตผู้รู้คือจิตที่ประกอบด้วยสัมมาสมาธิจิตผู้รู้ไม่ใช่ตัวสัมมาสมาธินะแต่จิตผู้รู้คือจิตที่ประกอบด้วยสติประกอบด้วยสมาธิที่ถูกต้องเมื่อไรเรารู้สภาวะธรรมถูกต้องตรงตรามความเป็นจริง เมื่อนั้นสามราสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติสภาวะธรรมที่เกิดบ่อยที่สุดนะคือหลงนะตัวโมหะตัวหลงคิดเกิดบ่อยที่สุดเพราะนั้นะส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ถ้าจะมุ่ง ม, มาที่ตัวหลงคิดนะเช่นให้เราพุโทโธพุโทโธนี่เป็นการจงใจคิดคำว่าพุโทโธเมื่อเราจงใจคิดคำว่าพุโทโธอยู่นะแล้วเวลาเราหลงมันจะลืมพุโทโธมันจะไีคิดเรื่องอื่น เราก็จะรู้ได้เร็วอา้าวหลงไปคิดเรื่องอื่นหรือพุโทโธแล้วนี่สติก็จะค่อยๆเร็วขึ้นเร็วขึ้นต่อไปพอหลงปุ๊บสติเกิดปับ๊บหลงปุ๊บสติเกิดปับ๊บนะทันทีที่สติรู้เท่าทันว่าหลงอยู่นะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติสมาธิจะเกิดขึ้นนี่สติเกิดเป็นขณะสมาธิก็มีเป็นขณะขณะไปนะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆ ต่อไปมันแก่กล้าขึ้นบางคนเข้าถึงอัปนาสมาธิได้เลยนะบางคนได้อุปจารสมาธนะิแต่ถ้าผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ก็จะได้คณิกาสมาธิในสมาธิเป็นขณะขณะรู้สึกขึ้นมารู้เท่าทันสภาวะแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาอยู่ช่วงขณะหลงใหม่หลงใหม่มีสติรู้สติรู้ปุ๊บความรู้สึกตัวที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นนะทรงสมาสมาธิ จะเกิดขึ dings, ้นงั้นตัวสมาสังขีมันจะมีได้มันต้องมีสัมมาสติที่ถูกต้องสมาสติจะมีได้ก็มีสัมมาวายมะสัมมาวายมะจะมีได้นะก็ต้องมีสมาชีวะสมาชีวะจะมีได้ก็ต้องมีสมากัมมันตะสมากัมมันตะจะมีได้ก็ต้องมีสัมมาวจาสัมมาวจาจะมีได้ก็ต้องมีสัมมาสังกปปะการคิดถูกไม่ได้คิดไปตามอำนาจกิเลส สัมมาสังกปะจะมีได้นะเราต้องมีสัมมาทิฏฐิมีทฤษฎีที่ถูกว่าต่อไปนี้เราจะเรียนรู้เท่าทันโดยเฉพาะการรู้เท่าทันจิตใจตนเองถ้ามีกิเลสเรารู้ทันไปนแล้วสุดท้ายนะสิ่งที่เราได้คือตัวสัมมาสมาธิพระพุทธเจ้าท่านสอนโมสมมาสมาธินี่เป็นภาชน ะ, นะเป็นภาชนะที่รองรับองค์มากทั้งเจ็ด เป็นที่ประชุมขององค์มรรคทั้งเจ็ดเหมือนเป็นภาชนะเป็นที่รวมเครื่องแกงเจอย่างอยู่ด้วยกันะงั้นองค์มรรคทั้งเจ็ดเนี่ยจะรวมเข้าด้วยกันเมื่อเรามีสมาสมาธินั้นสัมมาสมาธิเป็นที่ประชุมขององค์มรรคที่เหลือคนโบราณเลยสร้างสั ญ, ญลักษณ์ขึ้นมาเป็นรูปพระนักปลกุกพระนักปลุกเป็นพระนั่งสมาธิ นะอยู่ตรงกลางข้างบนมีเศียนนาคนาต้องมีเจ็ดเศียนนะก็คือองค์มรรคเจ็ดองค์ตั้งแต่สมาธิทิติสมาสังกปะสมมาวาจาสมากรรมตตาสมมาชีวะสมมาวายามะสมาสตินี่คือหัวของนาคเจ็ดหัวนะแล้วก็สมมาสมาธิอยู่ตรงกลางเป็นที่รวม นาคมีเจ็ดหัวแต่มีคออันเดียวรวมลงมาที่องค์พระนี่คือสั ญ, ญลักษณ์สอนเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดไม่ใช่ว่าปั้นขึ้นมาส่งเดชนะก็ปั้นด้วยเหตุด้วยผลภูมิปัญญาของคนรุ่นหลังมันไม่พอคิดถึงว่าพญานาคมาแผ่พังพานการพูะพเจ้าไม่ให้ถุกฝนพญานาคก็คือองค์มรรค ทั้งเจ็ดนั่นเองนะการสมาสมาธิเนะี่ยไม่ให้ถูกรบกวนด้วยกิเลสฝนก็คือตัวกิเลสนั่นแหละนะที่มารบกวนจิตใจของเราให้กระชอกไปกระชอกมาเมื่อเรามีสมสมาธิที่เกิดขึ้นแล้วนะประกอบด้วยองค์มรรคที่เหลือแล้วเนะี่ยอริยมรรคจะเกิดขึ้นมรรคทั้งหลายที่หลวงพ่อพูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยยังไม่ใช่อริยมรรค แต่เป็นมรรคเบื้องต้นเรียกว่าบุพภาผ่ามรรคเป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรรคเวลาที่อริยมรรคเกิดขึ้นน่ะม่เกิดจากการที่เรารู้ทุกข์ลาสมุทัยแจ้งนิโรธแล้วเกิดอริยมรรคขึ้นในขณะจิตเดียวนะเกิดในขณะจิตเดียวได้กําลังของสม า, สมาธิงั้นบางคนบอกไม่สนใจเรื่องสมาธินี่อาภัพที่สุดเลยนะไม่สนใจเรื่องสมาธิมีสองแบบ แบบหนึ่งไม่ทําสมาธิเลยยาเขาจะเจริญปัญญาเลยไม่มีสมาธิที่ถูกต้องเจริญให้ตายไปก็ไม่มีได้อะไรขึ้นมาอริยามรรคไม่เกิดได้แต่มิจฉาทิฏฐินะว่ากูเก่งกูเก่งอีกพวกหนึ่งทําสมาธิแต่ไปทํามิจฉาสมาธิเพียงจิตให้นิ่งๆให้สงบนะให้เคลิมเคลิ้มให้เห็นโ น, น่นให้เห็นนี่มิจฉาสมาธิไม่ทําให้เกิดอริยามรรค ต้องเป็นสัมมาสมาธิเท่านั้นจะทำให้เกิดอริยมรรคนะเพรานั้นบางคนไม่เอาสมาธิเลยก็ใช้ไม่ได้บางคนเอาสมาธินะฝึกสมาธิแต่ฝึกมิจฉาฝึกเพ่งนะเพ่งเพงเพ่งเพไปเรื่อยๆก็ใช้อะไรไม่ได้ตัวสมาธินะี่หลวงพ่อเล่นมาแต่เด็กนะได้เลเจ็ดขวบนี่ฝึกหายใจเข้าหายใจออกพุนะโทโธ แรกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับสองนับไปเรื่อยๆพอจิตไม่เริ่มสงบนะการนับหายไปเหลยแต่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรพอสงบมากขึ้นพูดโทหายไปเลยแต่หายใจพอสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปกลายเป็นแสงสว่างเป็นนิมิตนิมิตแสงสว่างนี่เราไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีทฤษฎีชี้นําที่ถูก แทนที่เราจะน้อมสมาธิกลับเข้ามาเรียนรู้รูปนามกายใจขันห้านะกับปล่อยใจตามแสนสว่างออกไปไปเที่ยวสวรรค์ไปดูเทวดาไปดูโน่นไปดูนี่นะนะไม่ได้ดูรูปนามเพราะงั้นไม่มีทางที่จะเกิดอริยมรรคเลยนะเป็นความหลงผิดของจิตเดนะีค่อยฝึกไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งสติปัญญามันเตือนหลวงพ่อนะว่าออกข้างนอกนะมันน่าจะไม่ถูกหรอก ไปเห็นเทวดาเราก็อยู่กับเทวดาไม่ได้เห็นวิมานก็อยู่กับเขาไม่ได้เห็นอาหารเทวดาเขากินกับเขาไม่ได้นะเห็นดอกไม้สวนดอกไม้ของเขานะ่ได้แต่ดูไปเด็ดดอกไม้เขาเสกดอกหนึ่งก็เด็ดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งนะแล้วมีประโยชน์อะไรมันคล้ายๆเราไปเที่ยวบ้านเศรษฐีเราไม่ใช่เศรษฐีถ้าเราไปเที่ยวบ้านเขานะียิ่งตอกย้ําความอาาถาของตัวเองเข้าไีกแล้วก็ ย่งคิดนะว่าออกไปแล้วไปเจอเทวดายังไม่กลัวนะถ้าไปเจอผีนะกลัวกลัวว่าใจไปเที่ยวนรกงั้นหลวงพ่อพยายามเพิ่มสติขึ้นเวลาหายใจนะพะใจมันสว่างว่างสว่างแล้วเนี่ยจะไม่ปล่อยให้ใจเคลิ้มจะรักษาสติคุ้มครองรักษาจิตอยู่ตลอดสายของการปฏิบัติเลยในที่สุดนะมัน ย, ย้อนลงมาที่กายเห็นตั้งแต่ผม ผมก็สลายไปเห็นหนงันงศีรษาหนังศีรษาสลายเห็นหัวกะโหลกหัวกะโหลกสลายเห็นร่างกายทั้งร่างกายเนี่ยเนื้อหนังมังสาอะไรสลายไปหมดเลือ ก, กระดูกดูกระดูกลงไปนะกระดูกระเบิดนะืด้วยกําลังของสมาธิดูกระเบิดเป็นก้อนกลวดเล็กๆอยู่ที่พื้นใสๆดูต่อไปนะก้อนกลวดที่เกิดจากกระดูกเรานะั้นสลายต่อไปกลายเป็นคลื่นแสงเป็นคลื่นแสงแสงไม่ใช่ตรงๆนะ แสงมันคลื่นคลื่นของแสงสลายไปสลายคลื่นเข้ากับจั ก, กรวาลเลยพอร่างกายหายไปหมดนะเหลือแต่จิตดวงเดียวเพราะสติยังอยู่สติเราเข้มแข็งพอกลับมามีร่างกายปุ๊บเนี่ยหลวงพ่อเห็นแล้วว่ากายกับจิตมีโคราชกันแต่ตอนนั้นมันเด็กนะมันบรรยายไม่ถูกหรอกแล้วก็ยังเป็นหลงคิดว่าคนอื่นเขาก็รู้สึกเหมือนเราเหมือนกัน เห็นว่ร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะใจเป็นคนดูอยู่ส่วนหนึ่งสุขทุกข์ดีช่วอยู่ส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูไม่รู้ว่านี่คือการแยกรูปแยกนามนะไม่รู้เพราะว่าไม่ได้เรียนปริยัติแล้วก็ไม่มีครูบาอาจารย์สอนคลำคลำมาเรื่อยเรืเริ่มจนท่านพ่อหลีท่านสอนอนาปนสติให้แล้วหลวงพ่อคลำมาจนท่านแยกเป็นผู้รู้มาได้ เจอครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านทรงฤทธิ์ทรงอภิญญย่าอย่างหลวงปู่สิมนะเจโตปริยัญญาท่านไหวที่สุดที่หลวงพ่อเคยเห็นเลยหลวงปู่สิมท่านเห็นหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ทำอย่างนี้ผู้รู้อย่าทําอย่างนี้เนี่ยท่านสอนท่านไม่รู้จักชื่อท่านเลยตั้งฉายาให้เราว่าผู้รู้คนก็นึกว่าหลวงพ่อรู้อะไรเยอะแยะหลวงพ่อไม่ได้รู้อะไรหรอกหลวงพ่อรู้สึกตัว หเห็นรูปนามมันทํางานไปตอนนั้นยังไม่รู้ว่าตรงนี้สําคัญก็ไม่รู้ว่าสําคัญไม่มีใครสอนปริยัติก็ไม่ได้เรียนทมให้คลำไปไม่ได้คลำมา ไ, ได้แค่ตัวผู้รู้จิตทรงสมาธิแล้วไปเจอหลวงพูดดงพ่ดุลนะหลวงปู่ดุลท่านสอนต่อให้ท่านให้เจริญปัญญาโดยการเห็นจิตมันเกิดดับไปให้ดูจิตทีแรก เข้าใจผิดท่านให้ดูจิตหลวงพ่อไปดูตัวผู้รู้รักษาตัวผู้รู้ไว้ไปบอกท่านว่าเนี่ยผมดูจิตได้แล้วท่านบอกยังไม่ใช่หรอกนะฉะนั้นแทรกแสงจิตจิตมีหนะ้าที่คิดนึกปรุงแต่งเราไปทํำซะนิ่งเลยนะทํำซะนิ่งสว่างทําผิดไปทําไมนะ่ท่านบอกผิดเราก็เลยสังเกตทําไมผิดท่านบอกว่าเราไปแทรกแสงงั้นต่อไปนี้ไม่แทกแสงจิตเป็นยังไงจะรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเนะนี่ยดูอยู่ไม่นานนะก็เข้าใจ แล้จิตมันก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรของเราหรอกตัวตนอะไรนะมัน ก, กล้วนแต่ของเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเพึ่งพาอาศัยอะไรไม่ได้จริงแล้วนี่ถ่าเรารู้ทุกแล้รู้ทุกคือรู้ความจริงของขันห้านะค่อยๆฝึกมาเรื่อยๆใจมันก็เข้าสู่ความสงบร่มเย็นมาเป็นลําดับลําดับนะอ่ะวันนี้สมควรแก่เวลาหลวงพ่อถือว่าเป็นการเทศเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า บูชาพระธรรมบูชาพระสงฆนะ์ยังไม่หายจากโรคปากเบี้ยวนะหมอก็มานั่งดูอยู่แต่ว่าเมื่อวานไปฟังเข็มเมื่อวานหรือวันศื้นเมื่อวานวันศื้นหมอก็บอกโอเคละได้ห้านนี้วันนี้ควรจะพักผ่อนแต่ว่า หน้าที่ของพระวันนี้วันสำคัญนั้นยอมออกมาเทศเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พวกเราฟังแล้วอย่าฟังเปล่าๆนะเอาไปปฏิบัติอ่านจิตอ่านใจตนเองไปมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันไปอย่าตามใจอย่าหลงโลกแล้วก็อย่าบังคับกายบังคับใจให้นิ่ง ดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นอย่าหลงโลกแล้วก็ดูกายดูใจอย่างที่มันเป็นสิ่งห้ารักษ า, าไว้เนี่ยฝึกอย่างนี้นะไปฝึกทุกวันทุกวันแบ่งเวลาปฏิบัติในรูปแบบไว้สมาธิมจะได้เข้มแข็งทําในรูปแบบว่าอยู่กับเครื่องอยู่ของเราอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจนะอยู่กับการเคลื่อนไหวร่างกายอะไรก็ได้ทํากรรมฐานสักอย่างหนึง่ง สมาธิมันจะเพิ่มขึ้นในะพอสติระลึกรู้สภาวะปุ๊บตัวรู้มันจะดีขึ้นมาเองขันห้ามันจะแยกอันตโนมัติเพอขันห้ามันแยกได้ก็จะเห็นขันแต่ละขันแสดงไตรลักษณ์ตัวนั้นนหละคือตัววิปัสสนากรรมฐานใช้เวลาไม่นา น, น ถ, าถ้าจิตเราถูกนะถ้าจิตเราถูกทรงสมาธิที่ถูกต้องแล้วการเจริญปัญญาเนี่ยไม่ยาวเท่าไหร่อะมรรคผลก็จะเกิด เราจะรู้ด้วยตัวเราเองไม่ต้องให้คนอื่นพยากรณ์นะที่เขาพยากรณ์นะหลวงพ่อไม่เชื่อหรอกยังขำแทบตายเลยทำเนียพระละหันรุ่นปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่คิดเอาเองถ้ารุ่นก่อนๆ อ, อย่างครูบาอาจารย์ท่านบอกรุ่นหลังๆเนี่ยเริ่มมันองอละมันเอาเองะงั้นเราก็สร้างตัวเองให้เป็นพระภาวนาไปจนเป็นพระอุญญาขึ้นมาแล้วเรารู้เอง ว่าเราล้างกิเลสไปแล้วเชิญออกไปกินข้าวออกไปปกติไม่ได้ให้กินข้าวนะเชิญไปหาข้าวกินไปกิน <c oughs> <c oughs> ข้าวเบียดกันอยู่ในโรงอาหารเดี๋ยวแพร่เชื้อกัน